14. ยัตถวาระปุจฉาวาร ะ, า ว, าระวาระว่าด้วยณที่ใดและวาระว่าด้วยการถาม304ได้เยภุยสิกาในที่ใดก็ได้สัมมุขาวิไนในที่นั้นได้สัมมุขาวิไนในที่ใดก็ได้เยภุยสิกาในที่นั้น แต่จะไม่ได้สติวินัยอมุระหาวินัยปฏิญญาตการณะตัสปาปิยสิกาตินวัฏฐากะในที่นั้นได้สติวินัยในที่ใดก็ได้สัมมุขาวินัยในที่นั้นได้สัมมุขาวินัยในที่ใดก็จะได้สติวินัยในที่นั้นแต่จะไม่ได้อมุระหาวินัยปฏิญญาตการณะ ตัดสปาปิยสิกาตินวัฏฐารกะเยปุยสิกาในที่นั้นได้อมูรหาวิไนในที gerek, ่ใดก็จะได้ไดสัมุขาวิไนในที่นั้นได้สามุขาวิไนในที่ใดก็จะได้อมุรหาวิไนในที่นั้นแต่จะไม่ได้ปฏิญญาตกระณะตัดสปาปิยสิกาตินวัฏฐารกะเยปุยสิกา สติวิไนในที่นั้นได้ปฏิญญาตการณะในที่ใดก็จะได้สัมมุขาวินัยในที่นั้นได้สัมมุขาวินัยในที่ใดก็จะได้ปฏิญญาตการณะในที่นั้นแต่จะไม่ได้ต cara, ええสัสปาปิยสิกาตินวัฏฐากะเยปุยสิกาสติวิน uca, ัยอมูระหาวิไนในที่นั้น ได้ตัดสปาปิยสิกาในที่ใดก็จะได้สัมมุขาวิไนในที่นั้นได้สัมมุขาวิไยในที่ใดก็จะได้ตัดสปาปิยสิกาในที่นั้นแต่จะไม่ได้ตินนวัตถารกะเยปุยสิกาสติวิไนอมูระหาวิไนปฏิญญาตการะในที่นั้นได้ตินนวัตถารกะในที่ใด ก็จะได้สั ม, มุขาวินัยในที่นั้นได้สั ม, มุขาวิไนในที่ใดก็จะได้ตินวัฏฐากะในที่นั้นแต่จะไม่ได้เยผุยสิกาสติวินัยอมมระหาวิไนปตินญาตะการะตัะปะสปาปิยสิกาในที่นั้นได้เยผุยสิกาในที่ใดก็จะได้สั ม, มุขาวิไนในที่นั้น ได้สั ม, มุขาวิันในที่ใดก็จะได้เยปุยสิกาในที่นั้นแต่จะไม่ได้สติวิไนอมูรหาวิไนปตินยาตการณะตัสปาปิยสิกาตินวัฏฐารกะในที่นั้นได้สติมมวิยัมมวยในที่ใดก็จะได้สั ม, มุขาวิไนใ น, ใ, ในที่นั้นได้สัมุขาวิไนในที่ใดก็จะได้สติวิไนในที่นั้น แต่จะไม่ได้อโมระหาวินัยปฏิญญาตการณะปัสปาปิยสิกาตินวัฏฐากะเยพุยสิกาในที่นั้นจัดสั ม, มุขาวิไนเป็นมูลละได้ตินวัฏฐากะในที่ใดก็จะได้สั ม, มุขาวิไนในที่นั้นได้สั ม, มุขาวินัยในที่ใดก็จะได้ตินวัฏฐากะในที่นั้น แต่จะไม่ได้เยพุยสิกาสติวินัยอมุระหาวินัยปฏิญญาตาการณะตัสปาปิยสิกาในที่นั้นจักกะเปยานจบยัตถวาระที่14จบ